เทศบันที่18มีนาคม2507ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี พุทธเจ้าแล้วต่างท่านก็สเสาะแสวงหาที่ดีเลิศสั ง, งั้นอันเป็นที่เหมาะสมแก่การประกอบความเพียงโดยความสะดวกที่ยาความเคลื่อนไหวทั้งภายนอกภายในของสาวกท่านผู้มุ่งหน้าต่อการศึกษาจะเป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำทั้งนั้น แม้จะคิดภายในใจก็คิดเพื่อจะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าิึกต่อตนเองจะพูดออกมาทางวาจาเกี่ยวกับการสนทนาปราศัยซึ่งกันและกันก็มีสันเลขาธรรมเป็นเสษนบรรทัดดัดกายวาจาให้เป็นไปตามแถวแห่งสันเลขาธรรมนั้ น, น, น คำว่าสันเลกธรรมแปลว่าทมเครื่องซักฟอกจิตใจกายวาจารให้สะอาดผ่องใสเป็นลำหนับรวมแล้วมีอยู่สิบข้อด้วยกันคือศีลและกฐาสนทนากันเรื่องการจะปฏิบัติในศีลกงโปเพื่อความบริสุทธ แต่เบื้องต้นเป็นยกอปิติจตาทำขึ้นเป็นผู้มีความมากน้อยเช่นเดียวกับนกที่มีเฉพาะปีกกับหางเท่านั้นจะบินไปทางไหนเป็นความสะดุกไม่พึงพลัง ก็มีมากก็กินดีเพียงน้อยพอรีกับเพศแห่งสำนักซึ่งเป็นเพศไม่พลวงพลังสมกับเป็นเพศที่ขอทานเขากินประจำวันสันโดษคือความยินดีที่ทัด มาจากอภิชตายินดีเท่าที่เครื่องอาศัยจะเป็นสมณะบริโภคไม่ก่อความกังวลใป็นเองพัะสังฆคณิกาไม่คุกคลีกับใครใคร ทั้งกลางวันกลางคืนเป็นผู้ผู้เดียวในเอียบททั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนวิเวกตาเพื่อหาความสงัดวิเว ย, ยู่ตลอดเวลานี่เป็นธรรมะเรื่องฝังอยู่จิตใจ ของสาวกผู้มุ่งหน้าต่อาการศึกษาแม้จะกล่าวในทางศีลก็กล่าวเพื่อหาอุบายวิธีที่จะรักษาศีลของตนให้เป็นไปเพื่อความบือสุดหมดจดและสนใจในสมาธิเพื่อความสงบเยือกเย็นภายในจิตใจ ระมัดระวังจิตใจไม่ให้คลุกเคล้าหรือละคนปนเปกับอัุที่จะเป็นฆ่าติดต่อใจมีเรียกว่าความสงัดภายในเรียกว่าอสังสันิกาไม่ละคนภายในนอกจากไม่ละคนปนเปกับ คนทั้งฝ่ายทั้งค ร, ระหัตในบรรพชิตภายนอกแล้วยังพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจไม่ใหรับคนปนเปกับอารมณ์ที่เป็นขั้นติดต่อตอนเองยิเวกตานอกจากมีความสังหัดภายนอกที่หาได้เป็นที่เหมาะสมแล้วยังมุ่งต่อความสังหัดภายในทําใจให้ปราศจากอารมณ์เครื่องก่อกวน นี่จะเป็นความสงบภายในะใจก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นชั้นๆเมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้นในด้านปฏิบัติขอเข้าเป้าองค์สมเด็จพระภูมิพ็ภาคเจ้าร า, ราบทูลเรื่องทำ ซึ่งเป็นข้อข้องใจภายในเมื่อได้รับการชี้แจงจากพระพุทธเจ้าโดยถูกต้องแล้วและหายสงสัยภายในใจของตนแล้วต่อจากนั้นก็นเข้าหาที่สนับนที่เรียกตามเคยประกอบความผ้าความเพียงติดต่อ สืบเนื่องกันเป็นลำดับไม่กำหนดว่าเป็นกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเป็นผู้มีจิตกับสติสัมพันธ์นกันกับความเพียรอยู่ตลอดอิริยาบถ ท, ทั้งสิทธิไม่ขาดวักขาดตอนเมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ ต้องมาทูลถามทัะพุทธเจ้าทุกๆครั้งและได้รับความเข้าอกเข้าใจเป็นลำดับทางศีลก็เป็นไปเพราะความบือสึกสมาธิก็นับวันจะก้าวขึ้นสู่ความสงบเยือกเย็นเป็นชั้นๆปัญญาเมื่อได้ใช้ความพินิจพิจารณา ตามโอกาสอันควรและสถานที่อันเหมาะสมเช่นนั้นแล้วยอมจะมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้ในเรื่องของตัวเองที่แสดงอยู่ทุกๆขณะภายในจิตใจและสิ่งแวดล้อมที่มาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับใจให้ปรากฏเป็นความรู้ชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นมาเรื่องของปัญญาจะวิภากษ์วิจารตามสภาพที่มาสัมผัส และสิ่งที่รับสัมผัสคือใจตลอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสนั้นเป็นไปในทางดีหรือชั่วเป็นไปในทางจะถอดถอนกิเลสหรือจะเป็นทางจะสั่งสมกิเลสขึ้นพอกพูนภายในใจบรรดาสาวกทั้งหลายย่อมตามสอดส่องมองดูเรื่องของตัวที่เกี่ยวกับขีนแวดล้อมอยู่เสมอ ใช้เมื่อในรับการระมัดระวังรักษาอยู่ย่อมเป็นเช่นเดียวกับเด็กที่มีพี่เลี้ยงตามรักษาเด็กย่อมเป็นไปเพื่อความปลอดภัยทั้งในบ้านและนอกบ้านจะไปสู่สถานที่ใดๆมีพี่เลี้ยงตามระมัดระวังรักษาเด็กเด็กก็นับวันจะมีความเจริญเติบโตขึ้นแปรศจากกุปตะศักดิอันตรายใดใด ที่จะมาทำลายเจตเด็กนั้นลักษณะของจิตที่รับการหล่อเลี้ยงรักษาด้วยสติปัญญารัทธาความเพียรแล้วยอมจะเป็นไปเพื่อความสงบสุขและเยือกเย็นต่อตนเองเสมอและมีอุบายวิธีที่จะพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศุดภายในใจของตนออกได้เป็นทันๆ เมื่อความเพียรได้เป็นไปอยู่ตามที่กล่ามานี้เรื่องการละสิ่งที่เป็นค่าศึกก็ย่อมเป็นไปอยู่เช่นเดียวกันละทีละเล็กละน้อยละวันะเล็กละน้อยทอดถอนไปวันละเล็กละน้อยทุกเวลาทุกวันทุกคืนทุกปีทุกเดือน กิเลสจะสั่งสมตัวมาจากที่ไหนเพราะไม่มีโอกาสที่จะสั่งสมตัวขึ้นมาเหตุที่สิ่งที่เป็นค่าสศึกไม่มีโอกาสจะสั่งสมตัวขึ้นมาให้เป็นเครื่องรังควานหัวใจก็เนื่องจากว่าสติปัญญาศรัทธาความเพียรได้เป็นผี่เลี้ยงตามรักษาใจดวงนั้นอยู่เสมอ ใจดวงนั้นยอมจะเป็นไปเพบความเจริญเพราะอาศัยเครื่องบำ ร, รุงรักษามีวันจะก้าวหน้าขึ้นสู่ภูมิแห่งธรรมขั้นสูงเป็นลำดับจนถึงขั้นตรัสรู้ที่เราทั้งหลายได้ยินกันทั่วๆั่วไปว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สาวกองนั้นัน้นตรัสรู้อยู่ในที่เช่นนั้น ในเวลานั้นนั้นมีอธิบายเรื่องของพระพุทธเจ้าและสาวกซึ่งเป็นองค์แห่งแทนะอันปรากฏของพวกเราให้นำมาพิพจารณา ว่าเหตุใดพระพุทธเจ้ากับสาวกจึงถึงความแปลกต่างจากพวกเราแปลกต่างกันเพราะเหตุใดแปลกต่างกันเพราะความปฏิบัติความสนใจเรื่องธรรมเป็นธรรมที่สม่ำเสมอไม่เคยลำเอียงต่อผู้ใดตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อการดำเนินให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่เป็นธรรมชาติไม่ลำเอียงแล้วผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมไม่ลำเอียงต่อผู้ใดเช่นเดียวกันมีส่วนจะต้องได้รับผลเกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติอันถูกต้องของตนโดยทั่วหน้ากันเพราะฉะนั้นคำวม่ามัชจิมาปฏิปาทาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอนั้นจึง ตรงกับคำว่าสวขคาตัดธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วตลอดเวลานด้วยนี่ครั้งพุทธการท่านดำเนินเช่นผลที่ปรากฏจึงรู้สึกว่า เป็นที่เจริญจิตเจริญใจทั้งท่านผู้ได้รับผลและพวกเราทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังตามประวัติของท่านตลอดมามต่อมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ท่านผู้มีความสนใจใคร่ต่อหลักธรรมะคำ ส, สอนของพระพุทธเจ้า น้อมเ อ, อกเครื่องดำเนินและวิธีดำเนินการดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมจะปรากฏเช่นเดียวกันเช่นสมัยปัจจุบันนี้ก็ปรากฏชื่อลีนามอยู่ว่าท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์สาง ทั้งสองพระองค์นี้รู้สึกว่าเป็นผู้เด็ดเดี่ยวในทางความภาคความเพียรหาที่เวกสังัดเพื่อํำจัดที่เหลด อ, อาสวะภายในใจของท่านตลอดมาผลที่ปรากฏออกไปสู่ภายนอกโลกก็ได้ยินกิติศัพดิ์กิติคุณของท่านฟุ้งขจรไปทุกหงทุกฝนว่า ท่านอาจารย์เสาท่านระอาจารย์มั่นเป็นพระสำคัญรากฏชื่อลืนา ม, มานี่เป็นคุณสมบัติที่ออกจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านพุ่งขจรออกมาให้ประชาชนทั้งหลาย ได้ยินทั่วถึงกันในสมัยปัจจุบันส่วนในองค์ของท่านแท้ตามที่ได้ไปศึกษาจากกับท่านในโอกาสอันควรก็สมกับชื่อเสียงที่ปรากฏชื่อลือนามออกในที่เท่วทั่วไปในความรู้สึกของอาตมาภาพเอง ก็ไม่มีอันใดจะสงสัยท่านว่าท่านอยากจะค้างอยู่ในภพใดภูมิใดที่จะเป็นเหตุให้เย็นว่าตาเกิดในวัฏสงสารเช่นเดียวกับสัตว์และมนุษย์ทั่วท่วไปเพราะหลักธรรมที่ท่านได้เคยปฏิบัติมาอย่างใดและผลที่ท่านได้ปฏิบัติจากหลักธรรม นั่นๆท่านก็ไม่เคยปิดบังเปิดเผยให้บรรดาลูกจิตผู้ใกล้ชิดได้ฟังอย่างถึงจิตถึงใจเพื่อจะเป็นเครื่องกระตุน้นเรือนจิตใจของสานุสิทธ์ทั้งหลายให้มีความเอิบออิ่มในผลที่ท่านได้รับแล้วอย่างใดแล้วมาเป็นเครื่องเชิดชูจิตใจของตน เพื่อจะได้บำเพ็ญความภาคความเพียรด้วยความขยันหมั่นเพียรผลจะพึงได้รับเพื่อจะเป็นเช่นท่านบ้งางพระคุณท่านทั้งสองพระองค์นี้รู้สึกว่าเป็นผู้ชอบในความสงัดยี่ง้วยไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับ ใครๆแม้ที่สุดกับพระท่านไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นักแต่เพราะเหตุแห่งอิติศักดิ์กิจธิุณที่ฟุ้งกระจายออกจากความดีเด่นของท่านในสมัยปัจจุบันเป็นเหตุให้ประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายมีความคคายสนใจต่อการศึกษาอบรมจากท่านอย่างใกล้ชิด ขอเป็นเหตุจะไปเกี่ยวข้องติดต่อกับท่านไปขอศึกษาปรลรบและอยู่อาศัยกับท่านท่านผู้มีธรรมคุณธรรมขนาดนั้นแล้วพายอมจะปราศจากหรือปฏิเสธความเมตตาไม่ได้จำเป็นก็ต้องสงเคราะห์บรรดาผู้มีน้ำใจเลื่อมใสต่อท่านตามกำลังแห่ง สติปัญญาความสามารถของผู้ไปศึกษาเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านพระอาจารย์มั่นกับพระอาจารย์เสาจึงปรากฏว่ามีลูกศิษย์ทั้งฝ่ายคาิหัสเนปันประชิตมากมายในสมัยปัจจุบันเมื่อถึงขั้นมรณาการของท่านก็รู้สึกว่าไม่ทิ้งลวดลายของหน้าปราบวาดภาพอันเด่นชัด แก่มนี้แกตาของบรรดา พ, พุทธบริษัททั้งหลายที่เข้าใจคิดในขณะนั้นอย่างเปิดเผยคือขณะจะมรณภาพก็มรณภาพด้วยความสงบเยือกเย็นเช่นท่านพระอาจารย์สาวถึงมรณการจวนตัวเข้ามาท่านอยากจะมรณภาพ ที่นครจำปาสักซึ่งเวลานั้นเป็นของฝรั่งเศสอยู่แต่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายมีจํานวนไม่น้อยต่างท่านก็ต่างร้องขอท่านอาลาดธนาท่านให้มามารณภาพที่ฝั่งเราเรียกว่าเมืองไทยแเราเมื่อลูกศิษย์มีจํานวนมากองค์ของท่านมีเพียงองค์เดียวก็สู้คนหมู่มากไม่ได้ จำเป็นก็ต้องยอมจำนนความทอดทุรละในชีวิตจิตใจและตั้งใจจับุงสังขารลงในนครจาปาตักก็ได้ถอดถอนล้มเลิกไปจำเป็นต้องปฏิบัติตามความเห็นของคนหมู่มากและเยตนา ที่ฝั่งดีของบรรดาลูกศิทั้งหลายก็ยอมลงเรือข้ามมาฝั่งไทยเราพอมาถึงวัดศริอ ม, มาศเขาก็หามท่านขึ้นไปสู่วัดนั้นคือหามจากเรือฝั่งแม่น้ำาขงขึ้นไปวัดศริอ ม, มาศพอเก้าเข้าไปถึงวัด ตรงท่านลงในลานมัดนั้นเท่านั้นก็กราบเรียนท่านว่ามัดนี้ถึงสถานที่วัดศรีอาร r ในเมืองไทยของเราแล้วท่านอาจารย์ไหวทั้งๆ ท, ที่ท่านก็นอนหลับตาพยายามพยุงท่าพยุงขขนของท่านตลอดมาท่านก็ลืมตาขึ้นแล้วถามว่า ถึงสถานที่แล้วเหรอมนารพระทั้งหลายก็กราบเรียนท่านว่าถึงแล้วท่านก็ตอบท่านก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นพยุงผมลุกขึ้นพระทั้งหลายก็พยุงท่านลุกขึ้นจากที่นอนแล้วท่านก็กราบกราบถึงครั้งที่สามแล้วก็ไปในขณะนั้นเลย ไม่รออยู่เป็นเวลานานอะไรในขณะที่ไปก็ไปได้วยความสงบเสเนียงไปได้วยความองอาจกล้าหาญในลักษณะมาอาชาไหนไม่มีความพร่านพึงหวั่นไหวต่อความร่มความตายซึ่งสัตโลกทั้งหลายกลัวกันยิ่งนะแต่นักปราชญ์ท่านถือเป็นคติธรรมดาที่มาแล้วต้องไป เกิดแล้วต้องตายเรื่องสติปัญญาซึ่งเรียนมาจากหลักธรรมะคำอสอนของพระพธิจักรก็เรียนมาเพื่อรู้ตามหลักความจริงก็เมื่อเรื่องการไปการมาการเกิดการตายเป็นหลักความจริงแล้วนักปราชญท่านจะหวั่นไหวที่ตรงไหนแค่นั้นท่านที่เป็นนักปราชญในคันนั้นแล้วจึงไม่มีความหวั่นไหวต่อการไปการมาการเกิดการตายการสลายพ ร, พรากจากสัตว์แต่สังขารทั้งของท่านและของคนอื่น ดังนั้นท่านจึงไปได้สุ ข, ขั้เป็นคติตัวอย่างอันดีแกบ่บรรดาศารุสิทธ์ทั้งหลายตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้นี่เป็นประวัติของท่านพระอาจารย์เสาที่ท่านวาดภาพอันดีเยี่ยมให้แกบ่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้ยึดเป็นคติตตลอดมาส่วนท่านพระอาจารย์มั่น ในอันดับต่อมาเวลาท่านเริ่มป่วยจำได้แต่เพียงว่าเดือนสีขึ้นสิบสี่ค่ำพอสเก้าสิบสองเป็นวันท่านเริ่มป่วยที่แรกท่านได้เล่าให้ฟังเมื่ออาตมาพาไปเที่ยวมาจาก อำเภอวาริจภูมาถึงเข้าในวันค่ำหนึ่งท่านบอกว่าผมก็ได้เริ่มป่วยมาตั้งแต่วันขึ้น14่สี่ค่ำแล้วพราท่านเริ่มป่วยในคราวนี้ไม่เหมือนกับคราวใดๆซึ่งแต่ก่อนมีบรรดาลูกศิษย์ไปถวายยาให้ท่านฉันท่านก็ฉันให้บ้าง มาคราวนี้ท่านปฏิเสธยาเสียทั้งหมดตั้งแต่เริ่มแรกป่วยโดยให้เหตุผลว่าการป่วยนี้ไม่มีหวังอันใดจากยุกยาที่จะนำมารักษาเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ตายยืนต้นอยู่แล้วใครจะรดน้ำพวนดินเต็มสติกำลังความสามารถของตนขนาดไหนก็ตามต้นไม้ ที่ตายืมต้นอยู่นั้นจะไม่มีวันกลับมาคลิดอกออกใบต่อไปได้อีกเลยเพียงแต่ว่ายังยืนต้นอยู่เท่านั้นไม่ทราบว่าจะล้มวันไหนเดือนใดลักษณะของถาดขันที่แก่ชราภาพแล้วย่อมเป็นลักษณะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยูกยาจึงไม่เป็นผลอันไดกับโรคประเภทนี้นี่เขาเรียกว่าโรคคนแก่ทันไว้ แม้ท่านจะปฏิเสธหรือห้ามเรื่องดูกยาไม่ให้เกี่ยวข้องกับท่านแต่ก็ทนเจตนาของบรรดาลุกิจซึ่งมีจานวนมากไม่ไหวเหมือนกันคนนั้นก็เอามาให้คนนี้ก็จะฉีดคนนั้นก็จะให้ฉันต่อไม่ต่อท่านก็ทนไม่ไหวก็ปล่อยตามเรื่องจะถูกรุกิจท่านไม่เคยตอบให้ใครสทราบหรือให้ใครฟังทางั้น วายานี้ถูกไหมท่านอาจารย์ท่านก็ไม่ตอบไม่ถูกท่านก็ไม่ตอบฉีดก็แล้วแต่จะฉีดยัดเข้าไปใส่มือท่านก็ชันไปอย่างนั้นเมื่อถามแล้วไม่ตอบนี่เป็นของสำคัญเมื่อป่วยจวนตัวเข้าจริงๆแล้วบอกว่าจะเอาผมไม่วัดป่าน้องผือนี่เห็นจะไม่ได้ผมน่ะตายเพียงคนเดียวแต่ว่า หมูม้าเป็ดไก่สัตว์จำนวนไม่น้อยที่จะตายเพราะเหตุแห่งผมนี้เพราะฉะนั้นขอให้ผมได้ออกจากสถานที่นี้เพื่อให้อภัยแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายแจะเป็นการดีมากท่านว่าเอาผมไปโน้นจังหวัดสกลนครเพราะสถานที่นั้นเขามีตลาดอยู่แล้วแม้นผมจะตายหรือไม่ตายเรื่องสัตว์ก็เป็นตามธรรมนาของประเพณีทางตลาดเขาทํากันอยู่ ตลอดมาคงจะเป็นการให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายได้เป็นจำนวนไม่ น, อน้อยท่านกลมาอย่างนี้เมื่อท่านพูดอย่างนั้นบรรดาลูลกจิต ท, ทั้งคราหัดแบบบรรพชิตก็ต้องยอมตามความถึงของท่านแล้วหามท่านออกมา ใส่ตะแค่แล้วหามออกมาท่านมาพักอยู่ที่อำเภอพนนนานิคมเรียกว่าวัดบ้านผู่ท่านก็เคยเตือนเสมอว่าทำไมเอาผมมาพักไว้ที่นี่ล่ะผมบอกว่าจะไปสกลที่นี่ไม่ใช่สกลท่านมาเมื่อท่านจวนตัวเข้าจริงๆแล้ว ในสามคืนสุดท้ายท่านไม่พักนอนเลยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนสุดท้ายไม่เพียงแต่ไม่นอนยังต้องบังคับว่าให้เอาผมไปในคืนวันนี้ให้ได้อย่าเอาไว้เป็นอันคารนอกจากนั้นก็เป็นแต่คืนนอกนั้นก็เป็นแต่เพียงว่าให้พาผมไปสกลนครแต่คืนสุดท้ายนี้บอกว่าให้เอาผมไปสกลนครในคืนวันนี้จะเอาไว้ไม่ได้ แม้ที่สุดท่านนั่งภาวนาท่านก็ให้หันหน้าไปทางสกลนครเพื่อเป็นปัญหาอันสำคัญแก่บรรดารลูกศิษย์ทั้งหลายให้ได้คิดถึงเรื่องคำพูดและอาการที่ท่านนั่งอย่างนั้นว่ามีความหมายแค่ไหนจำเป็นถึงตอนเช้าจะมีเรื่องอะไรตอนนี้ก็ไม่ปรากฏชัดเผอิญให้บรรดารลูกศิษย์ ชาจังหวัด ส, สกนลคนครเอารถยนต์มารับท่านสามคันก่อนจะขึ้นรถยนต์หมอเขาก็ฉีดยานอนหลับให้ท่านท่านก็ น, นอนหลับไปถึงสกนลคนครตอนตีหนึ่งท่านก็เริ่มตื่นจากหลับนั่นพอตื่นแม้วก็จากนั่นไปก่อ เริ่มจะทำหน้าที่มรณภาพของท่านจนถึงตีสองกับยสานาทีก็เป็นววละสุดท้ายก่อนจะถึงววละสุดท้ายนั้นท่านนอนตะแคงข้างขวาแต่พระก็เห็นว่าท่านจะเหนื่อยเพราะท่านนอนอยู่เป็นเวลาสับ เกือบสองชั่วโมงแล้วนอนในท่าตะแคงข้างขวาโดยเอาหมอนหนุนข้างหลังไว้พระเลยไปดึงหมอนออกจากข้างหลังท่านก็เลยกลายเป็นนอนหงายและท่านก็พยายามขยับตัวจะนอนตะแคงข้างขวาอีกที่พระกุวอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านก็พยายามเอาหมอนหนุนหลังท่านเข้าไปและท่านก็ค่อยขยับขยับ เมื่อท่านขยับเข้าไปรู้สึกว่าอาการของท่านเพียมากก็เลยหยุดไว้ทีนี้อาการนอนของท่านจะว่านอนหงายก็ไม่ใช่จะว่านอนตะแค ง, งข้างขวาก็ไม่เชิเป็นอาการที่เพียงเอียงๆอยู่เท่านั้นแล้วมนานนการก็จวนเข้ามาจวนเข้ามาบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็ไม่กล้าแตะต้องร่างกายท่านเลยปล่อยไว้ตามสภาพ แห่งความสงบของท่านที่เคยมีอยู่แล้วแต่ดั่งเดิมตลอดจนกระทั่งถึงมรณะการเป็นความสงบอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดถึงขั้นสุดท้ายบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายอยู่นั่นเป็นจำนวนไม่น้อยที่นั่งล้อมท่านอยู่เป็นสองชั้นชั้นในก็เป็นพระเทระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่าน ท่านนอกออกมาก็เป็นพระที่มีพรรษาลดหลั่นกันลงมาจากนั้นไปก็มีพระมีเนมมากมายขณะที่ท่านจะสิ้นจริงๆไม่มีใครจะสามารถทราบได้ว่าท่านสิ้นในขณะใดนาทีใดเพราะความละเอียดแห่งลมของท่านละเอียดเป็นลาดับดบจนไม่ปรากฏเลยว่าได้หมดลมไปนาทีใด นั่งรอสังเกตอยู่นั่นเป็นเวลานานไม่เห็นมีอาการกระดิกพิบแปรใน อ, อ, ว, อวัยวะส่วนใดท่านแต่คุณธรรมเจดีท่านจึงพูดขึ้นว่านี่ไม่ใช่ท่านหมดแล้วเลยก็เลยไปดูนาฬิกาพอดีตีสองนาฬิกากับยี่สิบสามนาทีก็เลยถือเอาเวลานั้นเป็นเวลา มรณภาพของท่านแต่ความจริงแล้วไม่ทราบว่าท่านจะมรณภาพก่อนนั้นไปสักกี่นทีเพราะไม่เคยแสดงอ ก, กับกิริยาอย่างใดให้คนที่นั่งอยู่นั้นเป็นเมืองมากได้เห็นแน่แต่ขณะเดียวนี่ก็เป็นอาการที่น่าเลื่อมใสน่าเคารพยิ่ง น, นักในชีวิตนี่ก็รู้สึกว่ามีครั้งเดียวเท่านั้น ที่จะได้เห็นอาการความเรียบร้อยเรียบร้อยจนกระทั่งถึงว่าไม่ทราบขณะที่ท่านมาณนาภาพเลยและก่อนท่านจะมาณนาภาพมาเป็นเวลาตั้งสามปีก็เคยพูดล่วงหน้าไว้เสมอในที่ประชุมสงฆ์ซึ่งเป็นวันอุโบสถบ้างเป็นวันประชุมธรรมดาบ้าง โดยให้อุบายตักเตือนสั่งสอนลูกศิษย์ทั้งหลายมาให้นิ่งนอนใจว่าใครจะตั้งอกตั้งใจก็ให้รีบตั้งใจเสียขณะที่ผมยังมีชีตอยู่นี้หากว่ามีข้อข้องใจอันใดขึ้นมาจะได้ช่วยแก้ไขกันให้ทันท่วงทีผมจะไม่นานไม่เลยแปดินะขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเชี่อว่าเรื่องร่างกายนี้ ไม่เคยเชื่อฟังอำนาจมารนะของผู้ใดทั้งนั้นเมื่อถึงการแล้วต้องตายด้วยกันทุกหลายนี่ท่านสอนอย่างสำหรับผมแล้วจะไม่เลยแปลกจิตนี่ท่านเคยพูดหลายครั้งในที่ทุนุนภิกษุบริษัทซึ่งเป็นบุกสิษ์ใกล้ชิดของท่านที่กล่าวมาทั้งนี้ เพื่อให้เป็นคติตัวอย่างของเราผู้เกิดนักสุดท้ายภายหลังอันผู้ดีหรือความดีเท่านั้นเราก็เริ่มจะเป็นคนดีเข้าไปเป็นนำนับยิงแนะนำข้อวัดปฏิบัติที่ท่านกี้แกงแสดงอย่างไรไว้มาประพฤติปฏิบัติในตัวของเราผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมไม่ผิดคาดผิดหมาย จากหลักเหตงข้อปฏิบัติจริงของตนมีเรื่องข้างพุทธการจนกระทั่ ง, ทงมาสมัยปัจจุบันก็เห็นความอัศจรรย์แปลกประหลาดอยู่เช่นนี้แม้ที่สุดเวลาท่านมรณาภาพแล้วทั้งท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นก็ยังแสดงความอัศจรรย์ไว้ในอัฐิของท่านอีกด้วยคืออัฐิของท่านพระอาจารย์เสาวก็ดี อภิษของท่านพระอาจารย์มั่นก็ดีที่ถูกเผาจนเป็นจุนวิจุนไปหมดเหลือชิ้นเล็กๆน้อยๆเมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้รับแจกจากองค์ของท่านไปก็กลายเป็นาธาตุขึ้นมาเช่นเดียวกันกันกบาธาตุของปรหรหันในครั้งพุทธการโน โดยปรากฏเป็นเม็ดเป็นเม็ด เ, เ, เช่นเดียวกับเมเ็ดข้าวโพดแล้วมีความก็อย่างกลา่าวเบาลักษณะขนาดใหญ่หรือเล็กเท่ากับเม็ดข้าวโพดเป็นจนํานวนมากถ้าจะเล็กกว่าเล็กกว่านั้นเล็กน้อยถ้าจะใหญ่กว่าใหญ่กว่านั้นอีกเล็กน้อยส่วนจนํานวนมากเท่ากับเมเ็ดข้าวโพดและค่อยขยาย ตัวเข้าไปขึ้นไปเป็นลำดับที่แรกก็เม็ดเล็กๆท่านต่อมาก็จะงอกหรื อ, อยังไงก็พิจญายากตัขยายโตขึ้นเป็นลำดับๆจนก็ตั้งกับเม็ดเล็กๆจนกระทั่งถึงเท่าเม็ดข้าวโพดก็ ม, มีค่อยขยายตัวออกเป็นหนังนในประวัติท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่า อัติที่จะสามารถกลายเป็นธาตุได้ น, นี้นอกจากอัติของพระรหัานั้นไม่มีอัติของไข่จะสามารถกลายเป็นธาตุได้ก็เมื่อได้เห็นอัติของท่านกลายเป็นธาตุเช่นนั้นก็ยิ่งเป็นสักขีพยานในวาระสุดท้ายจากการได้รับโอวาทคำสั่งสอนของท่านมาอย่างถึงจิตถึงใจแล้ว ยังเป็นเหตุให้ถึงกิจถึงใจในเรื่องอัฐิของท่านเป็นสักขีพยานอีกด้วยปัญหาเรื่องอัฐิของท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นทาสจึงุ่งขจรไปทุกแห่งทุกคนบางคนก็มีความสงสัยถึงกับมาถามอัตนาภาพก็ว่า อัฐิของพระอรหันตก็ดีอัฐิของปุถุชนคนธรรมนาก็ดีก็เป็นอัฐิของาธาตุคือาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกันเฉพาะอย่างยิ่งอัฐิก็เป็นาธาตุดินเช่นเดียวกัน mm hmm. เหตุใดอัฐิของปุถุชนจึงไม่อาจจะกลายเป็นธาตุได้ส่วนอัฐิของพระอรหันต์เหตุใดจึงกลายเป็นธาตุนด้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ก็เยเรียนให้ท่านผู้ถามปัญหานั้นทราบเพียงย่อๆว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับใจเป็นของสำคัญใจแม้จะเป็นใจอันเดียวเช่นเดียวกันก็ตามแต่ใจหรือจิตนี้ผิดกันที่จิตของพระอรหันต์นั่นเป็นอริยจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตของเราเป็นปุถุชนจิตไม่ใช่เป็นจิตที่บริสุทธิ์เมื่อจิตผู้เป็นเจ้าครองอยู่ในร่างใด จิตเป็นจิตประเภทใดร่างนั้นอาจจะกลายไปตามสภาพของจิตผู้เป็นเจ้าเรือนเช่นจิตพระรหันต์ท่านเป็นจิตที่บริสุทธิ์ธาตุขันธ์ของท่านเมื่อจิตเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วอาจสามารถจะมีอานาจซักฟอกาธาตุขันธ์ให้เป็นาธาตุที่บริสุทธิ์ตามส่วนของตนไปได้ฉะนั้นอัถิของพระรหันต์จึงกลายเป็นาธาตุได้แต่อัถิของบริชน จิตก็เป็นจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสธาตุจะกลายเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ขึ้นมาได้อย่างไรก็ต้องเป็นธาตุธรรมดาสามัญเราของคนมีกิเลสอยู่ดีๆมีวันนี้ได้ที่บายถึงหนึ่งประวัติของพระโพธิเจ้าสาวบกสาวกตลอดถึงครูบาอาจารย์ว่าท่านพยายามดําเนินตามแนวทาง องพระพุทธเจ้าและสาวกได้พาดำเนินมาจึงปรากฏองค์เป็นที่เรื่องดีและบือไปทุกแห่งทุกคนจิตตัดจิตคุณพุ่งขจรให้คนทั้งหลายได้ยินได้เห็นที่ไหนก็ปรากฏเป็นความทราบซึิงถึงจิตถึงใจเกิดความเชื่อมั่นและเลื่อมใสในพระศาสนามีแกจิตแกใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าชื่อว่าท่านผู้ดีเกิดมา หรือปรากฏในโลกเพียงจํานวนน้อยแต่ก็สามารถจะทำประโยชน์ให้แก่โลกมากมายและกว้างขวางเช่นพระพุทธเจ้าของเราเบื้องต้นก็เป็นพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวมีคนดีศักดิ์สิทธิเศษเพียงพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่ก็สามารถเรสดสรรคนธรรมดาให้กลายเป็นคนศักดิ์สิทธิเศษขึ้นมากลายเป็นสาวกอรหรันจํานวนไม่น้อยนอกจากนั้นยังสอนประชาชนพลเมือง ให้กลายเป็นผลนมงคลถึงรายชนาคมได้อีกให้รู้จักบาปบุญคุณโทษสามารถจะยังผูกมีความเชื่อความเลื่อมใสปฏิบัติตามพระโอาวาทคำสอนคำพูธเจ้าตามสติกำลังความสามารถของตนให้ถึงสุขติอย่างน้อยมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติจากนั้นก็เป็นสวรรค์สมบัติ ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางก็คือนิพพานสมบัติล้วนแล้วตั้งแต่ได้รับความเสกสรรจากพระโอวาทคำสอนของพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นพระโอวาทที่พระองค์ท่านได้ทรงสั่งสอนไว้อย่างไรแล้วจึงควรจะทราบมาเป็นมัชชิมาอยู่ตลอดเวลาทั้งข้างโน้นและข้างนี้มีความเสมอภาคแก่ท่านผู้ปฏิบัติ ทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลที่จะพึนได้รับมากน้อยตามกำลังแหงเหตุที่ตนบำเพ็ญมากน้อยเท่าไหร่ความสุขความเจริญจะเป็นไปในท่านผู้นั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ท่านพุทธบท่านผู้มีความต้นใจต่อพระอวาทศาสนาคำสอนของพุทธเจ้าจงน้อมสมบัติอันเป็นของพระองค์ท่านคือพระอวาทนั้น เข้ามาใกล้คิดชนิดกับกายวาจาใจของเราแล้วเราก็จะค่อยเป็นผู้มีสง่าราศีขึ้นทั้งด้านความประพฤติแต่ด้านจิตใจตลอดถึงผลคือความสุขความเจริจะเป็นไปในเราทั้งหลายทั้งพบนี่และพบน่าโดยในธรรมเทศนาที่แสดงมาก็าเห็นว่าสมควรเวลาขอดุดติดลงด้วยหลัเกเท่านี้เองว่า